และอาญตณะนี้ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามีอยู่สองอย่างคู่กันอันได้แก่อายตณะภายในกับอายตณะภายนอกอาญตณะภายในนั้นก็ได้แก่ตา หูจมูกลิ่นกายและมณนะคือใจอายตนะภายนอกนั้นก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผทภิภัณสิ่งที่กายถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราวคำวมาอายตนะนี้ แปลว่าที่ต่ออันหมายความว่าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกต่อกันคือตากับรูปต่อกัน หูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับผลทัพะสิ่งถูกต้องต่อกันมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวต่อกันฉะนั้นจึงเรียกว่าอาจารณะ อีกอย่างหนึ่งต่อกับจิตใจคือจิตนี้ยอมรับอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายโดยอาศัยต่อกับ อาญตนะภายในกับภายนอกเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงมีคำเรียกอาุตนะภายในทั้งหกว่าทวาร อันแปลว่าช่องทางหรือแปลว่าประตูอันหมายความว่าเป็นช่องทางหรือประตูของจิตที่จิตออกรับอารมณ์คือเรื่อง อันคำว่าอารมณ์นั่นได้แก่เรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงทอดถอนถึง นอนเนื่องถึงหรือว่าสิ่งที่จิตคิดดำริหมกมุ่นนอนเนื่องถึงอันสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เป็นรูปโดยตรงไม่ใช่เป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลตภัะและเป็นธรรมะคือเรื่องข้างนอกโดยตรงแต่ว่าเป็น สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ก็แปลว่าเรื่องอีกนั่นแหละซึ่งถอดออกมาจากรูปเสียงเป็นตน เพราะเหตุว่าตัวรูปเสียงเป็นต้นนั้นจะเอาใส่เข้ามาในจิตไม่ได้เช่นว่าบ้านเรือนที่อาศัยตา มองเห็นจะเอาบ้านเรือนจริงๆมาใส่ลงไปในจิตไม่ได้เสียงเป็นต้นก็เหมือนกันจะเอามาใส่เข้าในจิตไม่ได้สิ่งที่จะเข้าสู่จิตได้ จึงเป็นเพียงอารมณ์คือเรื่องของสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นอาจจะเทียบง่ายๆเหมือนอย่างกล้องถ่ายภาพถ่ายภาพของบ้านเรือน เป็นต้นภาพของบ้านเรือนนั่นก็มาติดในเลนในกล้องถ่ายภาพตัวบ้านเรือนจริงๆนั่นหาได้เข้าไปในกล้องถ่ายภาพไหมสิ่งที่ติดอยู่ ในกล้องถ่ายภาพนั้นเป็นภาพของบ้านเรือนเป็นต้นเหล่านั้นภาพก็คือภาวะความเป็นความมีคือเป็นภาวะไม่ใช่เป็นตัวจริง สิ่งที่ตาเห็นเป็นต้นนั่นก็เช่นเดียวกันเมื่อได้เข้าสู่จิตใจแต่ว่าภาพคือภาวะของสิ่งเหล่านั้นเข้าสู่จิตใจซึ่งเปรียบเหมือนเล่นสำหรับติดภาพ ภาพที่เข้าสู่จิตใจนั้นคืออารมณ์ที่แปลกันว่าเรื่องเรื่องที่จิตคิดดาริหมกมุ่นถอดถอนใจถึงต่างๆถ้าเรื่องรูปที่เข้าทางทวานตา ก็เรียกว่ารูปอารมณ์อารมณ์คือรูปถ้าเป็นเรื่องเสียงที่เข้าทางทวารหูก็เรียกว่าสัทธารมอารมณ์คือเสียงถ้าเป็นเรื่องกลิ่นก็เรียกว่าคันธารมที่เข้าทางทวารจมกูกถ้าเป็นเรื่องรส ก็เรียกว่ารับสารลมที่เข้าทางคิวหาทวารทวารลิ้นถ้าเป็นเรื่องผลทพก็เรียกว่าผลทพอารมณ์อารมณ์คือผลทพถ้าเป็นเรื่องธรรมะคือเรื่องราวของสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าธรรมารม อารมณ์คือเรื่องราวที่เข้าทางมโนทวารประตูมโนคือใจเพราะฉะนั้นอาจตนะภายในทั้งหกจึงเรียกว่าทวารหกและอาจตนะภายนอกจึงเรียกว่าอารมณ์หก อารมณ์หก็เข้าทางทวารทั้งหจิตก็รับอารมณ์ทั้งหนี้ทางทวารทั้งหดังกล่าวฉะนั้นเมื่อเรียกว่าทวารหกอันอาจิจนะภายในทั้งหอาจิจนะภายนอกทั้งหก็เรียกว่าอารมณ์หก เวานหกกับอารมณ์หกึงคู่กันแต่ื่อเมื่อเรียกว่าอาญตะด้วยกันก็เรียกว่าอาญตะภายในอาญตะภายนอกเป็นคู่กันก็มีความหมายในภาษาธรรมะดังนี้ เกี่ยวแกอาจตนะภายในทั้งหกนี้รวมอยู่ในอัตภาพนี้ซึ่งถือว่าเป็นบิบากอาจรนะ เช่นเดียวกับที่เรียกว่าวิบาคันคือเป็นผลของชนะ ก, ะกรรมกรรมนี้ให้เกิดมาเช่นเดียวกับคันและนับว่าเป็นอัพยากรธรรม ธรรมะที่เป็นกลางๆไม่ชื่อว่าเป็นกุศลไม่ชื่อว่าเป็นอกุศลคือหมายความว่าตัวอาจารณะเองไม่ชื่อว่าเป็นกุศลหรือไม่ชื่อว่าเป็นอกุศลเช่นเดียวกับขัน เพราะว่าเป็นวิบากคือเป็นผลของกรรมที่ให้เกิดมาดังกล่าวและพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ในเรื่องอาญศนะนี้เป็นอันมากดังเช่น ได้ทรงสั่งสอนให้สํารวมอินทรีย์หกคือสํารวมตาหูจมูกเล่นกายและมณะคือใจก็เพราะว่าอาจนะภายในทั้งหกหรือทวันทั้งหกเหล่านี้ ยังได้ชื่อว่าอินทรีย์ที่แปลว่าเป็นใหญ่อันหมายความว่าตาเป็นใหญ่ในทางต่อกับรูปหูเป็นใหญ่ในทางต่อกับเสียง จมูกเป็นใหญ่ในทางต่อกับกลิ่นลิ่นเป็นใหญ่ในทางต่อกับรสกายเป็นใหญ่ในทางปัพฐะคือสิ่งที่กายถูกต้องมโนคือใจข้อที่หกนี้เป็นใหญ่ในทางรับ ในทางต่อธรรมะคือเรื่องราวกับทั้งเป็นใหญ่ในทางต่อกับรูปคู่กันไปกับตาต่อกับเสียงคู่กันไปกับหู ต่อกับกลิ่นคู่กันไปกับจมูกต่อกับรสคู่กันไปกับลิน้นต่อกับกายคู่กันต่อกันต่อกับผลทพัคคือสิ่งที่กายถูกต้องคู่กันไปกับกายคือเป็นใหญ่ในทางต่อคู่กันไปกับ อาจตนะภายในห้าคอขงตนนั้นด้วยอันหมายความว่าลำพังตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นตัวประสาทคือประสาท ต, ตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกาย ต่างห้านี้อย่างเดียวต่อกับรูปเสียงกลิ่นรสผพิตภัไม่ได้ต้องมีมโนคือใจข้อที่หกนี่เขาประกอบอยู่อีกด้วยถึงจะต่อได้ดังที่เคยยกตัวอย่างมาให้ฟังแล้วเห็นว่าในบัดนี้กำลังแสดงและหู ก็กำลังฟังแต่ว่าต้องมีมโนคือใจตั้งใจที่จะฟังด้วยหูจึงจะได้ยินเสียงที่แสดงนี้แต่ถ้าใจไม่ตั้งฟังคำที่แสดงนี้คือส่งใจไปเสียในที่อื่นเมื่อใดหูก็ดับเมื่อ น, นั้น คือว่าฟังไม่ได้ยินต่อเมื่อใจกลับมาตั้งอยู่ในเสียงที่แสดงนี้หูจึงจะไม่ดับฟังได้ยินมียกตัวอย่างเพียงหูแต่ไม่ใช่เพียงหูอย่างเดียวแม้ตาจมูกลิ้นและกาย ก็เช่นเดียวกันมนโนคือใจข้อที่หนี้จะต้องตั้งที่จะดูที่จะทราบกลิ่นทราบรสที่จะทราบผลพระคือสิ่งที่กายถูกต้องด้วยจึงจะมองเห็นจึงจะทราบกลิ่นทราบรส จึงจะทราบโธธาพทพัพเพราะฉะนั้นมนโนคือใจข้อที่หนี้จึงสำคัญย่อมเป็นใหญ่คู่กันไปกับอินรีห้าข้างตนด้วยและเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือในทางที่จะต่อกับธรรมะคือเรื่องราวด้วยพระพุทธเจ้า ได้สั่งสอนให้มีอินทรียสังวรคือความสมรุมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจโดยที่เมื่อเห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้นก็ไม่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด หรือบางส่วนยินดียินร้ายเพราะเมื่อยึดถือความยินดีความยินร้ายบาปอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมไหลเข้าสู่ใจหรือสู่จิต ต่อเมื่อมีความสำรวมอยู่ไม่ยึดถือสิ่งที่เห็นที่ได้ยินเป็นต้นเหล่านั้นก็ย่อมตกอยู่แค่ตาแค่หูในภายนอกนั้นเท่านั้นไม่ไหลเข้าสู่จิตใจ และความสำรวมนี้ก็คือตัวสติเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นเหมือนอย่างในถาวรคือในประตูเมื่อมีสติอยู่สตินี้ก็เหมือนอย่างเป็นในประตูที่จะ รับหรือไม่รับบุคคลที่เข้าประตูถ้าเป็นผู้ร้ายก็ไม่รับให้เข้าจะเป็นผู้ดีเป็นมิตรญาติสหายผู้ที่นำความดีเข้ามาก็รับ สตินี้เองจึงเป็นตัวอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์ see. ก็เพราะว่าทวารทั้งหกนี้เป็นทวาร ทั้งของส่วนดีทั้งของส่วนไม่ดีว่าทั้งส่วนไม่ดีนั่นก็ได้แก่ตัณหานุสัยทั้งหลายคือกิเลสที่ ดองจิตสันดานเช่นตัณหาความริ้นรนทยานอยากที่ดองจิตสันดานหรือตัณหาหนุสัยต่างๆที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นต่างๆตัณหานุสัยเหล่านี้ ย่อมฟงขึ้นในเมื่อมีอาจตนะภายนอกเข้ามากระทบ ก, กับอาญตนะภายในหรืออีกชื่อหนึ่งก็เพราะอารมณ์ต่างๆ ที่มาทางทวารทั้งหกเหล่านั้นเมื่อเป็นอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของราคะราคานุสัยอนุสัยคือราคะเอาฟุ้งขึ้นมาจับอารมณ์เหล่านั้นเกิดราคะความติดใจ นั่นที่ความเพลิดเพลินยินดีต่างๆเมื่ออารมณ์เหล่านั้นเป็นที่ตังของปฏิฆะหรือโทสะปฏิฆะปฏิคานุสัยก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นความขัดเคืองกระทบกระทั่งหงุดหงิดโกรธแค้น เมื่ออารมณ์เหล่านั้นเป็นที่ต่างของโมหะความหลงอวิชชาหนุสัยก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นความหลง ต, งต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อดูข้างนอกเข้ามาจึงย่อมปรากฏว่า อาณาจักรภายในทั้งหหรือทวารทั้งหนี้มีเรื่องอยู่เป็นอันมากตาก็ต้องการจะดูต่างๆในสิ่งที่อยากจะดูหูก็อยากจะฟังต่างๆในสิ่งที่อยากจะฟังจมูกก็อยากที่จะได้ทราบกลิ่นต่างๆที่อยากจะได้ลิ้นก็อยากที่จะ ได้ทราบรถต่างๆที่อยากจะทราบกายก็อยากที่จะถูกต้องสิ่งถูกต้องต่างๆที่อยากจะถูกต้องมโนคือใจก็อยากที่จะคิดเรื่องต่างๆที่อยากจะคิดก็คืออาศัยอิเลตเหล่านี้กองราคะโสะโมหะ หรือว่ากองตันหาความดิ้นรนทยานยากเพราะว่าล้วนแต่ทำไม่ใจเกิดดิ้นรนทยานไปทางนั้นซึ่งเป็นลักษณะของตันหาเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้จึงต้องพยายามทำต่างๆที่จะเสนอสนองความต้องการของตา ของหูของจมูกของลิ้นของกายของมนณะคือใจยกตัวอย่างเอาเพียงตาอย่างเดียวรูปที่งดงามต่างๆหรือความงามต่างๆของรูปจะเป็นรูปประกายหรือว่าเป็นรูปของบ้านเรือนสิ่งต่างๆ ก็ล้วนแต่เป็นความต้องการของตาที่ต้องการจะดูจะเห็นสิ่งที่เห็นว่าสวยงามจึงต้องมีการแสวงหามีการจัดทามีการตกแต่งเพื่อที่จะให้ถูกลูกตาของตน เพื่อที่จะให้ตนเองหรือเพื่อที่จะให้ผู้อื่นได้เห็นว่างามเป็นตน้นเพียงแต่เรื่องของลูกตาอย่างเดียวก็ต้องวุ่นวายกันอยู่เป็นอันมากยังจะเรื่องของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจเองซึ่งเป็นตัวตน้น อีกมากมายเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาสิ จ, จัดเอาไว้เมื่อมีสัตว์ดู่สี่จมพมีสัตว์อยู่หกจําพวกคือว่างูก็มุ่งที่จะเลื้อยไปสู่จอมปลวกจะระเข้ ก็วว่งไปลงแม่น้ำนกก็บินไปในอากาศกา<จ>ก็บินไปสู่บ้านที่ตัวอาศัยอยู่สุนัขจิงจอกก็วิ่งไปสู่ป่าชาเพื่อจะได้กัดกินศากศพลิงก็วิ่งไปอยู่บนต้นไม้ชั้นใดก็ดีตา ก็มุ่งที่จะดูรูปต่างๆเหมือนอย่างงูที่เลื้อยไปสู่จอมปลวกหูก็อยากที่จะฟังเสียงต่างๆเหมือนอย่างจระเข้ที่วิ่งไปสู่น้ำจมูกก็อยากที่จะทราบกลิ่นต่างๆ เหมือนอย่างนกที่บินไปในอากาศลินก็อยากที่จะได้รถต่างๆเหมือนอย่างไก่ที่บินไปสู่บ้านที่ตัวอาศัยกายก็อยากที่จะถูกต้องสิ่งถูกต้องต่างๆเหมือนอย่างสุนัขกิงจอกวิ่งไปสู่ป่าช้าเพื่อจิต